สัมมาทิฏฐิกับการศึกษาในแง่ของการศึกษากล่าวได้ว่าคนเริ่มมีการศึกษาเมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิบางท่านอาจมองในแง่จากภายนอกเข้าไปตามายะแห่ไตรสิกขาโดยถือเอาศีลเป็นที่เริ่มต้นแล้วกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนประพฤติสุจริต แต่คำกล่าวเช่นนี้ยังนับว่าไม่เข้าถึงตัวการศึกษาหรือแก่นแท้ของการศึกษาเพราะการฝึกปรือในขั้นศีลให้มีสุจริตก็โดยมุ่งสร้างสมนิสัยหรือความเคยชินในทางที่ดีงามเป็นทางนำคนระดับเวไนไปสู่การมองเห็นคุณค่าของความประพฤติสุจริตเช่นนั้นนี่คือแง่ที่พฤติกรรมกลับเป็นฝ่ายปรุงแต่งค่านิยมได้เช่นเดียวกับปัจจัยทางสังคมอย่างอื่น เมื่อใดคนมองเห็นคุณค่าเกิดความเข้าใจทราบซึ้งและฝ่ายนิยมความสุจริตเป็นสัมมาทิฐิแล้วเมื่อนั้นศีลหรือความประพฤติสุจริตจึงจะแน่นแฟนมั่นคงได้ตอนนี้ค่านิยมจะเป็นฝ่ายกำหนดพฤติกรรมและเมื่อนั้นแหละจึงเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้มีการศึกษาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการที่ฝึกปลือในไตรสิกขา เริ่มแต่ศีนไปก็เพื่อฟักบ่มให้องค์มักทั้งหลายเริ่มแต่สัมมาทิฐิเกิดขึ้นเมื่อใดองค์มักซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำบังเกิดขึ้นในบุคคลจึงจะนับได้ว่าเขามีการศึกษาเพราะนับแต่บัดนั้นไปองธรรมทั้งหลายในตัวบุคคลนั้นจึงจะเริ่มเข้าประจำทำหน้าที่สอดประสานส่งทอดต่อกันสัมมาทิฐิ นอกจากจะทำให้ศีลหรือความประพฤติสุจริตนั้นมั่นคงจริงจังแล้วยังช่วยให้การประพฤติศีลเป็นไปด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งและเป็นหลักประกันให้ประพฤติได้ถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายของศีลไม่ผิดพลาดกลายเป็นศีลปัตตปรามาตหรือถือปฏิบัติโดยงมงายเป็นต้นอีกด้วยเมือ่อใดมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นจึงวางใจในการปฏิบัติศีล หรือไว้ใจในความสุจริตนั้นได้แต่ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิตราบใดก็ยังไม่อาจวางใจในศีลตราบนั้นถ้าแสดงความหมายอย่างผ่อนลองมาโดยถือเอาปัจจัยของสัมมาทิฏฐิเป็นหลักก็อาจกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มรู้จักคิดพูดอีกอย่างว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มมีโยนิโสมนสิกาน ความหมายอย่างนี้ก็นับได้ว่าถูกต้องด้วยเป็นการกล่าวแบบเล่งความถึงกันเพราะเมื่อมีโยนิโสมนัสิการแล้วก็หวังได้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมาดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่การปฏิบัติระดับศีลเมื่อได้โยนิโสมนัสิการช่วยนำพฤติกรรมจึงจะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้องพอดี ได้เป็นการกระทําอย่างมีเป้าหมายที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งตนเองก็ได้ความเข้าใจมีความมั่นใจจิตเป็นกุศลโปร่งผ่องใสยกตัวอย่างเช่นในการแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยนอกจากคำนึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิตคือปกปิดและปกป้องร่างกายจากหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนสิการ อย่างช่วยให้คำนึงในทางเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวอย่างนี้ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นประเบียบ ด, ดีงามของหมู่ของชุมชนหรือของสังคมเรานุ่งห่มไม่ให้หน้าเกลียดหรือหน้ารังเกียจให้เรียบร้อยงดงามอย่างนี้เพื่อรักษาจิตใจของคนอื่นที่เขาพบเห็นให้เป็นกุศลไม่เศร้าหมองคุนมัว เพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้คนอื่นๆมีจิตใจผ่องใสโน้มน้อมไปในความดีงามแต่ถ้าคิดขึ้นมาว่าจะอวดโก้อวดฐานะเอาเด่นจะข่มคนโน้นคนนี้หรือจะล่อใจคนให้หลงไหลติดพันหรือมีจิตคิดแง่งอนว่าจะทำตามใจฉันใครจะว่าอย่างไรก็ช่างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นอะโยนิโสมนสิกาน อากุศลธรรมก็เข้าครอบงำใจจิตก็ปิดล้อมตัวเองให้คับแคบไม่โปร่งโล่งไม่ผ่องใสและพฤติกรรมในการแต่งกายก็พร้อมที่จะวิปริตออกไปจากความถูกต้องพอดีได้ทันที